ข้อ17การไม่คบคือการไม่ไปร่วมกันได้แก่ความไม่เข้าเป็นพวกกับคนพา น, นั้นชื่อว่าอาเซวนาสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้ประกอบด้วยอากุศลกรรมบท10มีปานาติบาตเป็นต้นชื่อว่าผานอีกอย่างหนึ่งครูทั้งหกเหล่านี้คือปุรณกัส ป, ปะ มคคิิโคสารนิครนนาถบุตรสัญชัยเวรัตบุตรประกุฏ ธ, ธกัจายนะอชิตะเกษกัมพละและและปาปะบุคคลเหล่าอื่นจากครูทั้งหกนั้นมีพระเทวทัตและพระโกกาลิกะเป็นต้นพึ่งทราบว่าพานก็ชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดท่านเรียกว่าพาน เพราะไม่เป็นอยู่ด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นอยู่ด้วยอาการเพียงการหายใจเพราะเหตุนั้นในอัตถกถาพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าชนเหล่าได้เป็นอยู่อธิบายว่าดำรงชีพอยู่ด้วยอาการเพียงหายใจเข้าและหายใจออกไม่ดำรงชีพอยู่ด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐเหตุนั้น ชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าพ่านแม้ในสันธนีติปกรณ์ท่านพระอัครวงศาจารย์ก็กล่าวไว้ว่าพระธาตุเป็นไปในอัตกวาปราณปราณก็คือความเป็นอยู่และการหายใจชนใด ย, ย่อมเป็นอยู่คือหายใจเข้าและหายใจออกอยู่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 ความจริงคนพานแม้เมื่อคิดก็ย่อมคิดเรื่องที่คิดชั่วเท่านั้นโดยอำนาจอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐิแม้เมื่อพูดก็พูดเรื่องที่พูดชั่วทั้งนั้นอันต่างโดยวจีทุจริตสมีมุสาวาทเป็นต้นแม้เมื่อทำก็ทำกรรมที่ทำชั่วเท่านั้นโดยสามารถ กายยทุจริต3มีปาณาติบาตเป็นต้นด้วยเหตุนั้นทุจริตทั้งหลายมีความคิดเรื่องที่คิดชั่วเป็นต้นของคนผ่านนั้นท่านจึงเรียกว่าพานลักษณะเพราะวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องอันเขากําหนดคือรู้แห่งคนผ่านว่าพานิมิต เพราะเป็นเหตุหมายรู้คนพาลแล้วว่าภาลาปธานะเพราะคนพาลประพฤติไม่ขาดสายเพราะเหตุนั้นในภาลบัณฑิต ส, สูตรในอุปริปันธาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพาลักษณะภานิมิตรภาลาปัานะ ของคนผ่านสามประการเหล่านี้สามประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายคนผ่านในโลกนี้เป็นผู้มีปกติคิดเรื่องที่คิดชั่วเป็นผู้มีปกติพูดคาที่พูดชั่วและเป็นผู้มีปกติทำกรรมที่ทำชั่ว